จเจริญพท่านผู้มีเจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุ ก, ท, กทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2552เป็นวันที่ท่านได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมา สร้างสรรนะทางใจให้เกิดขึ้นเพื่อจะได้ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องวุ่นวายใจไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไม่ต้องหวาดกลัวกับเรื่องต่างๆเช่นเรื่องความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายความสูญเสียสิ่งที่เราลก การพักพรากจากสิ่งที่เรารักและการประชญกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาถ้าเรามีสระาที่พึ่งทางใจที่พระบรมศาสดาได้สมอบออไว้ให้แก่พวกเราแล้วพวกเราจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างปลอดภัย ไม่ทุกข์ไม่สุกไม่เศร้าไม่หวอยเหงาไม่ว้าเวไม่หวาดกือสิ่งเหล่านี้เราสามารถทำให้มันเกิดขึ้นกับใจของเราได้ดังที่พระบรมศาสดาได้ทรงทำให้เกิดขึ้นแก่พระไทยของพระองค์แล้วพวกเราก็สามารถเป็นได้เช่นเดียวกัน เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรนรูปถึงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหนือวิสัยของผุตุชนธรรมดาอย่างพวกเราทั้งหลายขอให้มีศรัทธาความเชื่อและขอให้มีความแน่วแน่ต่อการประพฤติปฏิบัติตามที่พระบรมศาสดาได้ทรงสั่งสอนไว้เท่านั้นแล้วผลอันเลิศอันประเสริฐ ที่พระพุทธเจ้าได้สง่งพบได้ส่งมีไว้ครอบครองก็จะเป็นสิ่งเดียวกันที่เราจะพบและมีไว้ครอบครองนั่นก็คือการสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายสิ้นสุดที่การไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองนี่แหละคือสาระที่พึ่งทางใจ ที่ไม่มีใครในโลกนี้สามารถมอบให้กับเราได้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวในเบื้องต้นแต่หลังจากนั้นหลังจากที่ได้ทรงนำความรู้นี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นแล้วมีผู้นำไปประพฤติปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกเป็นจำนวนมาก ท่านเหล่านี้ก็รับหน้าที่ต่อจากพระบรมศาสดาเป็นสังฆรัตนะเป็นที่พึ่งแทนพระพุทธเจ้าได้เป็นผู้สามารถชี้ทางให้ได้พบกับการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นองค์เดียวกันต่างต่างกันที่ลักษณะ ตรงเดียวกันหมายความว่าเป็นแสงสว่างหรือเป็นผู้นำทางให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ลักษณะที่ต่างกันก็เพราะว่าบุคคล น, นั้นต่างกันเช่นพระบรมศาสดานั้นเป็นผู้ตัดสูุด้วยพระ อ, องค์เองเป็นผู้พบทางพบแสงสวาง่างแห่งธรรมด้วยพระ อ, องค์เอง ไม่มีใครสอนใครสั่งมาก่อนเพราะไม่มีใครรู้ทรงศึกษาอยู่กับอาจารย์หลายรูปด้วยกันแต่ก็ไม่มีอาจารย์รูปใดรู้ถึงแสงสว่างแห่งธรรมที่จะนำพาสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้พระองค์จึงต้องแสวงหาด้วยพระองค์เองดังนั้น บุคคลที่สามารถแสวงหาแสงสว่างแห่งธรรมเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์หลาหลายได้นียังเรียกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสรู้เองเป็นผู้ค้นพบทางพบแสงสว่างเองนี่คือความแตกต่างระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวก พระอรหันตสาวกนี้เป็นผู้ศึกษาเป็นผู้ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าได้นำเอาความรู้ที่พระพุทธเจ้าส่งรูนี้มาเป็นแสงสว่างนำทางปฏิบัติตนจนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายท่านก็เป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาคำว่าสาวกนี้แปลว่าผู้ฟังหรือผู้ศึกษานั่นเอง ส่วนอาจารย์นี้เป็นผู้สอนพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์องค์แรกของพระพุทธศาสนาบุคคลอื่นที่ได้มาศึกษาได้ยินได้ฟังจึงถือว่าเป็นสาวกเมื่อสาวกได้นำเอาไปปฏิบัติจนจิตหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าเหมือนกับจิตของพระพุทธเจ้าบุคคลเหล่านั้นก็กลายเป็นพระอาหารหันต์สาวก เป็นพระสังฆัตนะขึ้นมาพระพุทธเจ้าเป็นเป็นพระพุทธรัตนะส่วนพระธรรมคำสอนคือแสงสว่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบแล้วนำเอามาเผยแผ่ให้แก่สัตวโลกนี้ก็คือพระธรรมัตนะสามองค์นี้มีความหมายมีเป้าหมายอันเดียวกันหรือมีหน้าที่อันเดียวกันคือพาสัตว์โลก ให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มีอยู่แล้วพระองค์ทรงจากพวกเราไปถึง 2,500 กว่าปีแล้วก็มีพระอริยสงฆ์สาวกพระอรหันตาสาวกมาทำหน้าที่แทนถ้าสมมติว่าไม่มีพระอรหันตาสาวกก็ยังมีพระธรรมคำสอนที่จารึกไว้ในสื่อต่างๆไม่ว่าจะในกระดาษ ในเทพในแผ่นเสียงต่างๆเหล่านี้ก็ยังเป็นแสงสว่างแห่งธรรมนำพาสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้เพียงแต่พระธรรมรัตนะตามลำพังนี้อาจจะยากกว่าพระพุทธรัตนะหรือพระสังฆรัตนะมีเป็นผู้นำทาง เพราะถ้ามีผู้รู้นำทางคอยสอนคอยบอกมันง่ายกว่าการดูแผนที่แล้วเดินทางไปเองบางทีมีแผนที่ยังหลงทางได้เพราะบางทีขับแล้วเดินทางไปแล้วเลยแยกที่ควรจะเลี้ยวอย่างนี้เป็นต้นก็เลยไปพอเลยไปก็เลยไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางต้องย้อนกลับมาเมื่อรู้ว่าไปผิดทางแล้ว ก็ต้องถอยรถถอยถอยกลับมาย้อนกลับมาไปตรงทางแยกแล้วก็ต้องดูแผนที่ว่าให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาพอรู้แล้วก็ต้องเลี้ยวตามแผนที่ไปการมีแผนที่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยแต่ถ้ามีคนรู้จักทางนี้สบายกว่าไม่ต้องเปิดแผนที่ให้เสียเวลา ให้คนรู้ทางนี้พาไปเราก็เดินตามพวกไปหรือนั่งรถไปกับเขาแล้วเขาเป็นคนขับรถพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการได้ <c oughs> นี่คือความแตกต่างระหว่างพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ถ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ทางแล้วจะชี้ทางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ตรงประเด็นกว่าพระอราหารันตสาวกเพราะพระพุทธเจ้ารู้ใจเรารู้ว่าเรากําังหลงอยู่ตรงไหนติดอยู่ตรงไหนท่านก็จะไปแก้ให้เราตรงนั้นพระอราหัน์บางลูกนี้ท่านไม่สามารถอ่านใจของเราได้ท่านไม่รู้ว่าตอนนี้เรากําลังหลงติดอยู่กับอะไรท่านก็พูดแบบรวมรวม ถ้าไปตรงประเด็นกับที่เรากําลังหลงติดอยู่เราก็จะหลุดได้แต่ถ้าท่านพูดไปไม่ถึงประเด็นที่เราหลงติดอยู่เราก็ยังอาจจะต้องติดอยู่ไปก่อนการฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจึงมีความแตกต่างจากการฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระอรหันตสาวกพระพุทธเจ้านี้จะมุ่งไปตรงประเด็นที่กําลังเป็นปัญหา ของผู้ฟังอยู่น่าจะพูดเรื่องนั้นเมื่อพูดเรื่องนั้นแล้วผู้ฟังก็จะเข้าใจก็จะหลุดพ้นจากความหลงงมงายจากความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากความหลงงมงายได้ส่วนพระอาลันตสาโรกเนี้อาจจะไม่รู้ใจของพวกเราไม่รู้ใจของผู้ฟังไม่รู้ว่ากําลังหลงติดอยู่กับอะไรพูดไปก็อาจจะไม่ได้ไปแก้ ความหลงที่ยังติดอยู่ในใจได้แต่ถ้าพูดบ่อยๆฟังบ่อยๆก็ต้องเจอเข้าสักวันแต่อาจจะช้ากว่าพระพุทธเจ้านี่คือความสามารถที่แตกต่างกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสาวกแตกต่างทั้งการปฏิบัติตนให้หลุดพ้นพระพุทธเจ้าหลุดพ้นได้ด้วยพระ อ, องค์เองไม่ต้องมีใครสอน ภาษาวกต้องมีอาจารย์เป็นผู้สอนมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนแล้วก็เวลาสั่งสอนผู้อื่นความสามารถก็ไม่เท่ากันพระพุทธเจ้ามีความรู้ความสามารถมากกว่าพระอาหาันตรสาวกทั้งหลายเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมพระเทศนามักจะมีผู้หลุดพ้นจากความทุกข์เสมอมักจะมีผู้มีดวงตาเห็นธรรมปรากฏขึ้นมาเสมอ ส่วนการแสดงธรรมของพระอาหารหันตสาวกรคนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าเป็นนี่คือความแตกต่างกันและยิ่งถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระอาหารหันตสาวกรมาสั่งสอนมีแต่พระธรรมคําสอนที่ได้ถูกจารึกไว้ในสื่อต่างๆการศึกษาจากพระธรรมคาสอน ที่ที่จะทำให้บรรลุได้นี้จึงเป็นสิ่งที่ยากขึ้นไปอีหลายเท่าขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ที่อ่านผู้ที่ศึกษาว่าจะสามารถเข้าใจได้ลึกซึ้งมากน้อยเพียงใดถ้าเข้าใจได้ลึกซึ้งมากก็สามารถบรรลุได้มากถ้าเข้าใจน้อยก็ไม่สามารถบรรลุน้อยก็สา ก็ไม่สามารถบรรลุได้มากก็บรรลุได้น้อยขึ้นอยู่ที่ภูมิจิตภูมิธรรมของผู้ศึกษาเองถ้าผู้ศึกษาเป็นคนที่ฉลาดได้บําเพผ่สติปัญญาบา ร, รมีมามากก็จะรู้มากจะเข้าใจมากจะเข้าใจเร็วผู้ที่มีน้อยก็จะเข้าใจน้อยดังนั้นการศึกษาจาก จากสื่อเช่นหนังสือนี้จึงเป็นเป็นความหวังสุดท้ายก็แล้วกันของผู้ที่ปรารถนาจากความหลุดพ้นจากความทุกข์ผู้ที่ได้พบครูบาอาจารย์ผู้ที่สามารถสั่งสอนให้เขาได้เข้าอกเข้าใจและนำไปปฏิบัติจนบรรลุเป็นผลขึ้นมาได้จึงเป็น ผู้ที่มีคุณค่ามากนักศึกษาหรือสาวกผู้ที่แสวงการหลุดพ้นก็จะมุ่งไปสู่บุคคลเหล่านั้นเพราะศึกษาตามลำพังจากหนังสือหรือจากการฟังเทศฟังธรรมก็ยังไม่สามารถทาเกิดความเข้าใจจนหลุดพ้นได้แต่พอไปฟังจาก พระอาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริงผู้มีประสบประการมาแล้วพอได้ยินได้ฟังก็ทำให้เข้าอกเข้าใจและหลุดพ้นจากความหลงต่างๆได้นี่คือลักษณะของพระรัตนตรัยสามประการด้วยกันก็คือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะต่างกันที่ลักษณะ คุณสมบัติความรู้ความสามารถแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือเป็นเป็นแสงสว่างนำทางให้สัตว์โลกหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้ามีพระรัตนะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ถือว่ามีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้มีโอกาสมากกว่าผู้ที่ไม่มี พระรัตนะไกลเลยไม่มีพระรัตนะรูปใดรูปหนึ่งองค์ใดองค์หนึ่งเช่นเหมือนกับคนที่มีแผนที่กับคนที่ไม่มีแผนที่เป็นอย่างนั้นคนที่มีแผนที่ยังมีโอกาสที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้คนที่ไม่มีแผนที่นี้แทบจะไม่มีโอกาสเลยนอกจากรุกขึ้นมาเท่านั้นเองไปโดยที่ ไม่รู้จากทางแต่ไปด้วยความโชคก็แล้วกันที่พาให้ไปถึงนั้นได้แต่ยากมากสำหรับการหลุดพ้นจากกองทุกไม่มีทางเลยที่จะฟลุกได้เพราะขนาดมีแผนที่มีคนสอนยังหลงทางหรือยังไปไม่ถึงกันเลยแล้วไม่มีแผนที่ไม่มีคนสอนแล้วจะไปถึงได้อย่างไร พวกเรานี้จึงถือว่าเรายังโชคดีที่เราได้มาเกิดในเมืองพุทธที่ยังมีพระธรรมคําสอนอยู่ในรูปแบบต่างๆในรูปแบบของภาษาวกก็มีอยู่มีพระปฏิบัติสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ยังคอยสั่งสอนพวกเราอยู่มีพระธรรมคําสอนจารึกไว้ในสื่อต่างๆ ให้เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังอยู่เราจึงมีโอกาสมากที่จะหลุดพ้นจากกองทุกได้เราจึงไม่ควรปล่อยโอกาสอันนี้ให้ผ่านไปควรที่จะรีบเร่งทุ่มเทเ ว, เวลามเวลาชีวิตจิตใจของเราให้กับการสร้างสารสารนิยนี้ให้เกิดขึ้นจะดีกว่า มัวไปสร้างสิ่งอื่นๆสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่ไม่ใช่สาระของใจอาจจะเป็นสาระของกิเลสคือทําให้กิเลสสบายใจพอใจเวลาอยากได้อะไรอยากจะดื่มสุราก็ได้ดื่มสุรากิเลสก็จะไม่ไม่ออกฤทธิ์เวลาที่กิเลสอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจ เราจะเห็นฤทธิ์ของกิเลสทันทีว่ามันทุกข์ทรมานใจความทุกข์ทรมานใจต่างๆของเรานี้ไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากกิเลสตัณหาความโลภความอยากนี่เองแล้วเราก็ต้องไปทําตามความโลภความอยากต่างๆเพราะเราคิดว่าเป็นการสร้างสาระคือเป็นการกําจัดความทุกข์ แต่มันเป็นการกำจัดที่ไม่ถูกเราไม่ได้ไปกำจัดที่ต้นเหตุเราไปกำจัดที่ปลายเหตุคือฤทธิ์ของกิเลสผลของฤทธิ์ของกิเลสเวลากิเลสออกฤทธิ์แล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเราก็ทำตามคำสั่งของกิเลสเช่นกิเลสอยากจะสูบบุหรี่หรืออยากจะดื่มสุรา พอไม่ได้สูบหรือไม่ได้ดื่มมันก็จะเกิดความกิเลสก็จะออกหรือสร้างความทุกข์ทรมานใจจนทนไม่ไหวจนต้องไปเอาบุหรี่มาสูบหรือเอาสุรามาดื่มพอได้สูบได้ดื่มผลคือความทุกข์ทรมานใจที่ออกจากฤทธิ์ของกิเลสก็สงบไปชั่วขณะหนึ่งแต่ไม่หายไปอย่างถาวร เดี๋ยวไม่นานอีกสักไม่กี่นาทีก็อยากจะสูบบุหรี่อยากจะดื่มสุรามันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นการที่เราหาสิ่งต่างๆมาลุมล่มบำรุงบำรเลอกิเลสตัณหาของเหล่านี้จึงไม่ได้เป็นการสร้างสราระที่แท้จริงเราต้องมากำจัดกิเลสตัณหาที่เป็นตัวสร้าง ความทุกข์ทรมานใจให้แก่เราถ้าเรากำจัดกิเลสตัณหาได้แล้วต่อไปก็จะไม่มีกิเลสตัณหามาออกฤทธิ์ออกเลสสร้างความทุกข์ทรมานใจให้แก่เราเช่นมันอยากจะสูบบุหรี่อยากจะดื่มสุราเราก็ต้องตับมันอย่าไปดื่มอย่าไปสูบเราเอาธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้ามาสู้กับมันเอาศีลมาสู้กับมัน สิลข้อห้ามก็คือละเว้นจากการดื่มสุร า, ยาอย่างเมาเอาสมาธิมาสู้กับมันทำจิตใจให้สงบพอจิตใจสงบแล้วกิเลกก็สงบตัวลงฤทธิ์ของกิเลส ก, ก็สงบตัวลงความทุกข์ทรมานใจก็หายไปเหลือแต่ความสงบเหลือแต่ความเย็นใจพอออกมาจากความสงบนี้กิเลสมันยังไม่ตายมันก็ออกฤทธิ์อีก เราก็ต้องเอาปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มาสอนเราว่าการสูบบุหรี่การดื่มสุรานี้เป็นโทษเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเป็นเหมือนยาพิษมีใครอยากจะรับประทานยาพิษบ้างเรารู้อยู่รับประทานเข้าไปก็ตายลูกเดียวสูบบุหรี่เสพสุราก็เหมือนกันก็มีแต่จะทุกข์ลูกเดียว อย่างนั้นถ้าเรารู้ด้วยปัญญาว่ามันเป็นโทษมันเป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจของเราเราก็จะตัดมันได้เราก็จะหยุดมันได้โดยอาศัยการสนับสนุนของสมาธิความสงบของใจอาศัยความสัการสนับสนุนของศีลคือการละเว้นการกระทาต่างๆที่ไม่ดีทั้งหลายนี่คือวิธีที่เราจะใช้ในการปราบกิเลส เป็นการสร้างสารณะที่แท้จริงดังนั้นการที่เราจะสร้างสารณะนี้เราก็ต้องมีขั้นมีตอนพระพุทธเจ้าทรงวางลำดับขั้นตอนของการสร้างสารณะไว้สามขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งท่านสอนว่าปริยัติแปลว่าการศึกษาพระธรรมคาสอนขั้นที่สองท่าน เรียกว่าปฏิบัติคือนาเอาคาสอนที่เราได้ศึกษามาปฏิบัติกับกายวาจาใจของเราแล้วขั้นที่สามก็จะปรากฏตามมาคือปฏิเวทการบรรลุถึงเป้าหมายของเราคือการหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นสขั้นตอนด้วยกันเราข้ามขั้นตอนเหล่านี้ไปไม่ได้ ถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่รู้เราจะไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรอย่างวันนี้เรามาได้ยินได้ฟังเราได้เรารู้แล้วว่าเราจะต้องทำอะไรถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราก็จะทำแบบผิดผิดถูกถูกแล้วผลที่ต้องการก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาดังนั้นในเบื้องต้นเราต้องศึกษาก่อนศึกษาว่าเราต้องทำอะไรบ้าง พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ทำอยู่สามประการคือให้ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อม 2. ให้ละบาปและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้หมดไปนาสาให้กาจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจเพื่อใจจะได้สะอาดบริสุทธิ์และวิธีที่จะทำสิ่งเหล่านี้ ก็คือการปฏิบัติทานสิงสมาธิและปัญญานี่เองเราต้องทําทานต้องเสียสละต้องให้มีอะไรที่เหลือกินเหลือใช้ที่เราไม่จําเป็นต้องใช้ต้องเก็บเอาไว้ก็ให้นําเอาไปให้ทานแก่ผู้อื่นหรือถ้าเราเอาเงินเอาทองไปใช้ ในสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยแก่จิตใจเราก็ควรจะเอาเงินทองนั้นมาใช้ให้กับให้เกิดประโยชน์กับจิตใจคือเอาไปทำบุญให้ทานเช่นเราเอาเงินไปซื้อบุหร่ซื้อสุรายาเมามามดื่มอย่างนี้เราเอาเงินนี้มาทำบุญมาช่วยเหลือผู้อื่นเงินก้อนนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับจิตใจของเรา จะไม่เป็นโทษแต่ถ้าเราเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อบุหรี่มาสูซื้อสุรามาดื่มมันก็จะมาเป็นโทษกับใจของเราเสียเงินแล้วยังต้องมาทุกข์ทรมานใจอีกอย่างนี้เรียกว่าฉลาดหรือโง่ถ้าเอาเงินนี้มาทำบุญแล้วเกิดประโยชน์กับใจใจมีความสุขใจมีความสบาย ใจไม่มีความทุกข์ทรมานใจทำไมไม่ทำกันถ้าเอาเงินไปใช้แล้วเกิดความทุกข์ทรมานใจเราก็เป็นเหมือนกับฆ่าตัวเราเองเหมือนกับเอาคอนมาทุบศรีรษะตัวเราเองคนฉลาดเขาไม่ทำเรื่องราวเหล่านี้มีใครบ้างจะเอาคอนมาทุบศรีศรษะของตนเองนอกจากคนเสียสติ หรือคนว่าหรือคนปัญญาอ่อนเท่านั้นที่จะทำกันแต่คนที่มีสติมีปัญญามีความรู้ความสามารถความฉลาดจะไม่ทำสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเราต้องเอาเงินเอาทองที่เราเอาไปใช้ในทางที่ผิดเช่นเอาไปใช้กับสุรายาเมากับการเล่น ก, การพนันกับการเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ กับการซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเหล่านี้นําเอาเงินนี้มาสร้างบุญสร้างกุศลเอามาทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นทางวัดวาอารามก็ได้ทางโรงพยาบาลก็ได้ทางโรงเรียนก็ได้หรือทางสาธารณประโยชน์ต่างๆก็ได้สุดแท้แต่ที่เราจะพอใจจะทํา เอาเงินก้อนนี้มาทำประโยชน์แบบนี้ดีกว่าจะได้ประโยชน์ทางด้านจิตใจเพราะกิเลสตัณหาจะเบาบางลงไปและการกระทำสิ่งที่ไม่ดีก็จะหมดไปมีแต่การกระทำที่ดีเป็นการกระทำทั้งสามส่วนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้พวกเราทำไป <c oughs> ในขณะเดียวกันคือได้ทาความดี ได้ละการกระทำบาปหรือการกระทำที่ไม่ดีทั้งหลายและได้ชำระกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางและหมดไปจากใจในที่สุดนี่แหละคือการมาสร้างสราระที่พึ่งทางใจสร้างด้วยการศึกษา คำสอนของพ่อพระพุทธเจ้าแล้วก็นาเอาคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้านี้มาปฏิบัติกับกายวาจาใจจนใจจนได้ปรากฏเป็นผลขึ้นมาจิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานใจพอเราเลิกบุหรี่แล้วเราก็ไม่ทุกข์ทรมานใจกับเรื่องของบุหรี่พอเราเลิกเรื่องสุรายาเม่าแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ทรมานใจกับสุรา มีมีดื่มหรือไม่มีดื่มก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ติดไม่ไม่ไม่ดื่มแล้วหรือถ้าจะดื่มเพราะความจำเป็นในบางการณีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเช่นบางทีไปงานสังคมเขาให้เราดื่มถวายพระพรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ยกขึ้นมาดื่มสักคำสองคาอย่างนี้ก็ไม่เสียหายอะไร พอไม่ได้ดื่มด้วยความติดด้วยความอยากด้วยความทุกข์ทรมานใจแต่ดื่มด้วยความด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจำเป็นอย่างนี้ไม่เป็นปัญหาอะไรพอไม่ได้ดืม่มหลังจากนั้นก็ไม่เดือดร้อนอะไรถ้าเราเลิกจากการเที่ยวได้เลิกจากการเล่นการพนันได้เลิกจากการซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆได้ เราก็ต้องเราก็จะไม่ต้องมาทุกข์ทรมานกับเรื่องของการไม่ได้เที่ยวไม่ได้เล่นการพนันไม่ได้ซื้อของฟุ่มเฟือยแต่คนที่ยังต้องเที่ยวยังต้องเล่นการพนันยังชอบซื้อของฟุ่มเฟือยอยู่เวลาไม่ได้ทำก็จะทุกข์ทรมานใจเราอยากจะทุกข์ทรมานใจหรือเราอยากจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายใจถ้าเราอยากจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายใจ เราก็ต้องตัดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกไปแล้วนำเอาเงินที่เราไม่ได้ใช้นี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์มาทำบุญมาสร้างกุศลหรือมาใช้สนับสนุนในการปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปก็คือการไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมไปศึกษาธรรมขั้นสูงไปนั่งสมาธิไปเจริญวิปัสสนา ถ้าเรายังเป็นคารวะเราก็ยังต้องมีเงินทองไว้สนับสนุนเราก็เอาเงินทองที่จะไปใช้ในการเที่ยวเร่ในการเล่นการพนันในการซื้อของฟุ่มเฟือยนี้มาใช้กับการศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อทำให้จิตใจของเราได้หลุดพ้นจากกองทุกขนี่นี่แหละคือวิธีการสร้างสาระสร้างที่พึ่งที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ในขณะนี้ เพียงแต่เรายังอาจจะทำไม่ได้มากเท่าที่ควร น, นั่นเองถ้ารับประทานอาหารก็เหมือนกับรับประทานอาทิตย์ละครั้งเดียวเท่านั้นเองไม่พอถ้ารับประทานอาหารให้พอเพียงต่อร่างกายนี้ควรจะรับประทานอย่างน้อยวันละสามครั้งด้วยกันเช่นเดียวกับการศึกษาปฏิบัติการทำเพียงอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งหรือปีละครั้งนี้ยังไม่พอเพียง ก็จะทําให้มากอย่างน้อยก็ทุกวันเนื้อทํามากก็ต้องทุกลมหายใจเข้าออกเลยทุกเวลาของลมหายใจเข้าออกนี้หมดไปกับการศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วรับรองได้ว่าไม่เกินเจ็ดปีดังที่พระพุทธเ จ, จ้าได้ทรงพยากรณ์เอาไว้ว่าจะต้องหลุดพ้นจากกองทุก์ได้อย่างแน่นอนไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าเป็นค า, ารว่าหรือเป็นนักบวช เป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ไม่สำคัญสาคัญอยู่ที่การศึกษาปฏิบัติเท่านั้นเองถ้าศึกษาปฏิบัติมากและถูกต้องผลก็จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วจึงขอให้เราจงพยายามศึกษาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์กันการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีลัตนตรยัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบังเพนกันในวันนี้จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านอยู่อย่างแข็งแกร่ปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ